ขละตันหาต้อมือดีข้อมือเต็มใจไม่ข้อมือเปลนข้องเตัอเป็นผีละขณะตันหายิดเวลาตัญหาเี่อันไดเพื่อจินจินไม่อยากไม่ไม่อยากนี้จินจินไม่ได้อยากนี้เพื่ออะไาข้อมือแก่จะได้แใดแบบนี้ข้อมือเพิ่งข้อมือหนักข้อมือร่ำหมางร่ำข้างจะได้บบใดแบ้นี้้างสิเก็บนะิเห็น้อมือแก มันปัหาอไรแต่นนเกียม่ยอมได้ไหมันเจ็บไ่ยอมได้ไมนันตายไม่ยอมไ้ไมันเจ็บไหมเหย่อไม่ยอมได้ไแต่ทั้งสท่ท่านเหยื่อไ่ยอมได้ไหมเหรอเป็นยบด่าหยบพาปัญหาเข่นไม่อยากอันนี้เกิดทุกข์เาะเหยื่ดใหเพราะใหญ่เพราอเหนื่อยังเนี่ไ่อาแต่ไม่ังจรเหรอเนี่ยน นั่นะเกิดทุกข์ใ่้อยากให้มันมาไปมั่นก็ด้รับไปสักไม่อยากให้มันเกิดสิ่งนันก็เกิดสิรักนั่นจะเก up, ิดทุกข์อืมเข็นจั่หิรัเร่งไรนี่ที่้าน่ะหิรูญเห็นตามเป็นสิ่ทั่นจะพผู Ó, up, ้ต่างหน้าพักันนันเป็นนนี่ดีเลยหิรัเห็นตามตนสิ่งยังนั่นรเห็นตามต้็นสังนั่นยดไปรับสิ่งเ่านันเป็นขยาดไรยมันม่ได้หยุด ก็เก่ยวขันเกี่ยวขันถือว่าเป็นมิโรทเพื่งอุบิ้วท์วทปเยอะคือคิดเกี่กับเรื่องปัญหาทั้งสามรับทุกชนิดทุกไม่คิดไม่ใจจะไปวาไห้คับขวที่จะไปยึดถือเมีอวเมีเรื่องตางๆเรื่องของทุกเรื่องของสมุไทยพื่ปัญหาทั้งสามขอปฏิบัต คือจะให้คิดใจหเห็นการจัดจีเรตปัญหาใดเพื่อจะแสวงอำาจทั้งนั้นใสคือมีรสคือความทุกขนสามารถคิดเห็นชอบสามารถสังเกตุในบันลิเพื่อให้คิดชอบความเห็นเห็นใจหรือไม่คิดเป็นทังสี่ชอบสามารถเล่าตาในเ่า เดอไรจ้ากำแม่ท่านคือชอบจำเมื่อจำเนี่ยตัวท่าตจำเนี่ยชอที่วยจำเมี่ยจะพิบัตไพ่เนี่ยจะหาใจตัวส่งจากทุกจากสมุทัยหายไถึงยืนนุชเกิดเซ็กซ์ก็จากกันนะกองอัดท่านเพาะกบข้าเกิดยังไงอย่างจำเนี่ยชอบเบิ่นตรงกรมพายันเน กำลัี่เหลืตังหาที่มีิตจหน้าเสยเฉาไข้จิตใจถือความิตจิตถึงไม่ทั้งโลกท้งสงคามไมทังเสือทั้งเสียจิตจิเใจนั้นรับสำักนัปฏิบัตินักโคนักเบืการงนอบเป็นวิวัฒน์ผ่านไป่านแล้เช่นเห้าต้องเจอเท้าหน้าหน้าขี้เพรดพุ่นคงคบภาระยากกงเสจยปะเทศ้ทยยดหน้าชาไข้ เด็กพ yeah, ิประลิบบอสบอเกลมุขคนเพืออื่นบอเียบบอเบียนเอาของของคนอื่นท่านเด็ท่าประลิบได้ไหจากช่นนั่นคุณพิว่าังนี่ชอบตามแมอา่อเร่อเลียงชื่ยุดอบเลีื่อดเด็กพิษประลทานใรกรักไปมื่อ ใจาสียใจตัคนอื Captain ่นมาอย่ยงที bye ่ยดได้หยุดซ้ำคะยุมาอี่ยงที่ยุดตัวเอง่วรใครจชครเซงยึมผาบคว้าข้าวข้วหนอย่างที่หยุดกะเป็นชนะอาซิโอเป็นเรื่องของใจเรื่องของใจเนี่ยชนะอาซิโออย่งที่ยดสอบคิดอัดคิดท่อมภายในให้ใจ ได้รับความทุกข์ขม้นเบาหาจากเลกจากเกิดจากหลงอยู่เพื่อการเลี้ยงชีอย่างใจให้ตัวชอบใจได้รับคมทุกข้นสบายข้สรังใส่ไรละแทนที่เหลือไปเลยเหลือเหนื่อาถึงถึงทุกยืนหมบเมื่อยใบใจเิดตจำเน่าใส่หงายจำละขานที่เหลือดป็นหาเรื่ยวไต เลี่ยงใจเหลืออัดเหลอท่อมเลี้ยงใจเหลือที่เหลือปัญหาคิดไข่แต่จะเลยงอัดเลงท่ําแม่แม่่สาตัวคือ่งที่วิศวะของนักโคนักเบื่อสมหน้าอาชสมาน้าายยนนอกเียนพยายามชอบสามหน้าติตั้งสติชอบสามหน้ามนาคิดตั้งไปไหวชอบหนูเลี่ยงทั้งนักเขียนชอบ แม่ก็ดูแลแขวะยวกันนี่ยได้ที่อื่นที่เราแม่ทั้งหมดแม่ดูแตายในจิตของแ่เท่านั้นเพื่อนแจกเยอะแต่จะเขี้ยนหงายแจกให้ให้หาเป็นเพื่อนดีเพียนตำละเพื่อตำละเสียวแจกตสีวเียนจะเห็นเพื่นังงนดินเด็กเส้นรัดทัสถานทั้งกางานหรทงบริุทธินแมจะเพียนเจ้าก็ำละเท่าไร่ สำหรับใน้่เยี่ยงตายเพื่อนชอบท่านแม่ที่เจ้าท่านคิดท่านใจให้ยื่งเรื่องัวเริ่มแต่เพื่อนเธอว่ารักษาคิดใจเคร่งตึงตั้งว่าได้ให้บาปให้เสื่อใหแม่คอสายเือว่าหาคใจเครงตึเพื่อนเธอว่าครับเราเพื่นเสื่อสารลนามต่างๆถีงเยอะแล้วเป็นโลดเป็นเกลเป็นหลง ให้ปกออกไปให้นัดออกไปเพื่อนตระเนท่านจำดีถือยังบ่ท่านไห่ท่านนี้ให้หนักขึ้นให้หลายขึ้นเสียสิ่งนี้กำลังต่างหานตัดท่านบท่านคือเหลือปัญหาไม่ใจไปโยขวอยืนไา้รับท่านเสียท่านเสียท่างตันมีเลยเพื่อนสอบ ในไพ่ไม่เพียงขามกึ่งหน้าข้ามดีภาณ้าแต่ข้าขยะเจ็ดตามบาลีโมคะหน้าแระท้าเองลักษณะแต่ท้ารักษาไว้ยังไว้ที่มันดีมันเป็นอาจเป็นท่ามอยากจะปจอตาลาเล่มันเทวยารักษากึงนข้ามดีสีเป็นเขยเขยเห็นเขยดีเขยเด่นเยแล้วให้มันตกใจเสียไปตกหายไป นี่ใช่ไหมเขี้ยน้าในท่าท่านในทาละเอียดในท่างซติบัสหมายถึงในท่าใสทั้งตัวตั้งเซติ้วบอกจะตั้งเซติ้วไว้ไขขึ้นที่เจาหน้าในเซติ้วประธามทั้งทีที้กายไหนเจ้าอย่างตั้งหัวก็ให in. ้เนี Or, ่ยที่ข้นเรือท่าไหนเจ้าตั้งตึ๊กตเ้งตึ๊กตั้งเต๋ อย่ามายอเตีย้างหน้าวดยไปหยุดยนอื่นตีตวัต้งหน้าเรื่อที่อ่งนั้นรืเียวาเี่ยง่สิตวัฏฐานตัวสถิตวักฐานยังเตีว้าง้าถแค่เสร็จแล้เตียวางนตงสิ้กหดที่ตหน้าเนี่ยใจใสตามป็นจริงยึดเรื่อุมตุกิตยึด้้าท่น ยิ่เป็นตัวเช่และต่นเรื่องใส่ในต่างสตเราในียนรานี่าะต่งสติอบที่จ้หน้าตายตักงซ้อายว่นตัดเงนบุกข่มเงนตัวมันเต็มเนลหลเงนเขยในพี่หน้าหยอกแท้ในใส่ใจทัดหวนเหวิ่จักยางหนึ่เรื่องทานหน้ายึด่านแต่ท่านน้องเดียวกันแม่ใส่ใจเรื่อเห็นเป็นจินงหน้อันไดั มันเจ็มันเจ็บมนต้มันตัดมันกีหวตัดคือเราเรื่งนี้เรืเรานั่ยต้มหิวมันหิวต้มหิวิงอีมน้ำมันมันหิตไปถ้ามาดายังไม่หิวยังอีกไม่หิดยังอีิจนหิวขันนะขันขนเที่ยวกระตังตากไม่เที่ยวเที่ยวอีสิ่งเดียวที่ได้ก็ไล่เลือดเอดเพิ่มเยอะเลเลืก้นตันเลือดซ้ว่ามันเลืดยอย้าเดยวนี้เดยวห เเด็กย่ายตน่แต่ตังาจักไม่เตมันโบกิดโบแข่ง้ยวเกี่วนไม่ินเรานี่ตอยึดใจเนี่ยต้เป็นย่างสามาสามัติเม่กกนักงานตั้งเง่นามัตก็ดีเียนก็ดีปัญญาก็ดีจะเร่อยเรื่อมกันเป็นอันนึงอันเดียวเป็นนักข้าสามัคคีสามาคือจะเดินบันดานผลถึล้วเคยต่จักชัด เห็นเห็นแม้จะตังเกิดขึ้นเราจะหายสงสัยในการปฏิบัติยึดใจเส้นเสือนี่เรื่องของการจะเือปฏิบัติอาถรรพมันมีอไรมณ์แรงเนี่ยมันเหนื่อยลัง้าลางเจ๋อถี right now, us, so uh, ่แม่คู่กันแม่หลุนแม่เพื่อนแม่ขี่แม่เย่อคือมันตัดเปลี่ยนตัวเองแงสอตัวเองซึกงสอนตัวเองเกราะตั้งทางตั้งเส้นกับไทยกับเจ้าไม่ล่ อายุขนาดแต่หลายว่าไหแล้วราไม่รให้เงยบหากวันใดจนมาเป็นลบทิงควาจทิกข์สบายครอรัวเปล่าปัหาแค่ได้ยึดได้ดีแล้วแต่เสียีแล้ววิเศษแล้วเหนื่อยแล้วไปแล้วต้อง่าอไรผลประโยชน์อะไรที่เราไปทำไมเราไปไหนเชื่อได้หมจงนึกคิดจงนึกเหนื่งลบ้างับมันคืดเรื่งผที่ประโยชน์ดีกัเรา ก็คอแบบใจสอนเตียวหาท้พต่ที่ีพเจ้าแสิเกิดความดกล้าสลับเป็นผู้อยี่ยมแบบอ่ารอบวัดสอนเตียบ่เหลื่อมเลื่ขอายท่ากล้าดีนั่นหนกดูได้ไม่สิจะช็อตก้าดีให้่หากเสื่อที่เทีว่าเขาห้อยั่นเถถ้าเันกรั้งตอนนมันบายแล้วนี่เป็สิโ๊แค่นั้น ขี้ม่งหาโม่ไหยปล้วเพะโม่งไปแล้วนี่แต่ก็ผิดธรรอย่างเป็นยาหนังผีห่างผีไห่ใสถึงนี่ในเต่าน่นก็ให้ไปต้อหนังตาเป็นเลือยนั่นก็ไม่เป็นไปอีกผีขี้วิจิอว่ากาางกายเป็นหางแต่แห่หางเดียวกันเ็้าไทยแล้วขี้อะไรืยิบเล็ดนั่นก็เ็ดขึ้นไปได้เลยหยือหยิบสาวนั่นก็เลื่อนเป็นสายขึ้นไปได้นี่แต่แก้วันนี้ผิดไป หาตาฝ้าหากรงขื่นหาหลุมเท่านั้นถ้าดำๆก็ไปว่าเห็นมั้เจกหรออย่าไปคิดอยากจเอาตาขึ้นมายุดได้เาแต่นั่นอเป็นด้านใมันก็คือเทือไม่อีกี่ยวาดในเพม่ท่ารแต่ไปวมันก็ขึ้นไม่จะขึ้นตามเรื่องเทนั้นไม่ใช่เ๊กหรกตามเรื่องเท่านั้นมีเรื่องที่ยึเพื่อว่าบรือาเรองห้าม่ท่นนั่นน่ะจะเกิดเป็นอไรจะเป็นอไนันจะเป็นไปได้ เดยวอานาจแข่งข้างกรรแร่างขากสีหาต่างห้าถ้ำหาเสือถ้ำเสียร่าง้างกันหนึ่งกะพักบัเจ้เกิดในี่ตางสเสียสี่เสียก็้า้ลือมีโอกาสเลือกล่าสด็ดไปเซฟเเพนจิตหายท่าลักพาสิงต่างเสดต่างถ้าจังสิยุแาวเรืเพเื่อไตเค่มือรืหมาม่จ้เกิดยมีสี่ตัวเียเครื่อัตอนนี้่องนีนาจาสมอเรื่อี แต่เชื่อปัญญาที่จะนม่ั่งเส้อง่ายข้ามดีได้เป็นอาพัพพาสัตว์เป็นพัดที่อาภัพดวงจ้ามากที่จะท่านคุณง่ายข้ามดีเลยไปเสพดีเสพได้ถ้าเป็นพัดพาสัตว์เพื่อเป็นมนุษยเคลื่อนแล้วที่จะไปพึ่งแต่ที่แบบตั้งนาตั้งตาเงนเพิ่มพลังมากฤตตาเส้นข้ามดีโอตาเบี้ยล้านนี่แน่แน่ย่ำต้องใช้เด แต่แม่รับมาว่าแม่ท่านก้อนผักก้อนเพี้ยนใจเรื่องแต่ท่ามันเพิ่มไปแต่เฮาเบ่อหยเบื่อแต่ท่ามันเพิ่มถึงยันเล่นงันตายวันกิดนเกลียนม่แต่จะมีเยแล้วท่านจให้เยหน้าเยด่างเยอะเท่แม่นจะได้สะดวกจะให้จะนีเลิ่นเพอแม่เสีวข้ห้แต่ม่รับม่ว่าเดี๋ยวเพิเพ่มเล่มาเพิม้นให้ อย่อมเก่นสังสะใยไปเนี่ยขีเหิ้วจักแ่นข้างไปเนี่ยเข้าใจเด็ดแปรงหน่อแปรงสามาเช็ดสาไม่รับไม่ว่าต้องกินเลยจะให้เลยเป็นเพื่อนจะเพื่อนจะพี่ดเพื่ี่ท่านเพื่อนก็กินเข่ายังตัวอื่นก็หงายไม่หงาตัวอื่นเข้ากินจะเป็นเรื่องของเขาอาหารเป็นนี่หน่าไม่รับเลี้งขนาดใหญ่ให้เวอรกินจะเท่าเขาเหี้ยแต่เห้ยอย่างนี แตหากอาศัยว่านี่คือท่านให้เช็ไม่ให้ให้อย่าได้อย่ากินกินได้สมายเพราะวันนี่เรียกว่านี่เสื้อบาอาจารย์กราทะน่องโยกันกระอาหารเพื่อสอัดท่านให้่ให้ให้ส่จิตใส่ใจใส่ให้ส่ิตพิตว่าเรื่องเสเองไม่ต้องทนสื่อท่านท่านให้ท่านนี่จะบอกว่าให้พิจารณาท่านต้อง่เด้อนี่ตสได้รับท้าเพ๊จารณสบาย นอนเพนท้ามข้ามไปเพื่อกันกับสินข่าวนะฮะเมื่อจิตมันเบื่อเมื่อจิมันอิ่นขังทนสอาหารมันกินีม่หนักหน้าลายย่องไปหนนั่งใส่เรยที่เชงเลยเนายิ่งขังยิ่ใสให้ต่อนหนงย่านโด่าสหน้าจนสินภาวนาเชิงเขื่อนคิ่อบกรลิดใจคล้ตัวแล้วสีหน้าซื่อๆเห็นไหมคิดไพมคดไหมโอวอรดันสีดนเบื่อจ ไิดมันใงบนรงับเหยื 3, ่ามคิดข้ามผิดข้ามกว่าข้ามต่างต่างๆในเลี่ยนขงโลกไ่ท่าขงโหลกแต่มันงบรังงับหนึ่งร่างพระแต่ไอ้คิดมสกวันธรรมะวนธะแต่สร้างข้ามจากความก่ความเจ็บความตายที่เป็นวันธรรมสาติจ้าใจถาม หแก่ตัญหาของใจเต้าเองคือหลุมคือเล้งคือคิดคือความเดกอีกอ่างคือจตต์ตั้เนี่ยเดี๋วารคิด้าเดี๋ยวการคิดเชื่อเนี่ยจากการกระทันนี่เป็นสุดายเชื่าถึงมีอัดมีท่านตึงมีขึ้นขั้นดีพอควบค้นก็มีถึงขึ้นขั้นดีเท่านั้นไม่มีสุดายส่างตาข้นเรื่อ้นเสียเหนือเรื่องส่องตาไหน เหลี่ยงเสี้เหล่ยงเี้เหือการปฏิบัติปฏิบัติการฝึกทัพกายใจเค้ื่องตหมือนให้ฝกปฏิบัติให้ดับให้แขงใ้หินก้มอนไม่จะเปิดขึ้นความสอมความแน่นไม่จะเปิดขึ้นความอยู่ความแน่นไจะเปิดขึ้นเพราการท่านลอยวนี่แหละการปฏิบัตปฏิบัติอัพท่านการตั้งเถิดตั้งท่าน มนเตุเปงอื่นแบบเปนงิห้วเิบรหารป็นเนอื่นหิ้วใจหิวใจเท่ากันเท่ากัจเาจะดีเก่าจะดีเทากนที่พนเดียวกันก็เท่านัต่างกนแต่นี่เก้านี่ใจก้นนั่นไต่ที่มีที่เยอะมากศึกษาต่างต่างตาประพฤติปฏิบัติที่นี่ก้มที่ก้มจะเล่นต่างที่ดายทาน่ะเาาใช้จนนเวลาเอวัน